สง์ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรมต่อมาสงได้ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธ ร, รมโดยสั่งให้ภิกษุสุธรรมนั้นไปขอขมาจิตตะขาบดีภิกษุสุธรรมนั้นถูกสงลงปฏิสารณียกรรมแล้วเดินทางไปเมืองมัชชิกาสน ต้องเกอ้อเขินไม่อาจขอขมาจิตตะคหาบดีได้จึงกลับมาอย่างกรุงสาวัตถีอีกภิกษุทั้งหลายถามเธอว่าท่านขอขมาจิตตะคหาบดีแล้วหรือภิกษุสุธรรมตอบว่าผมเดินทางไปเมืองมัชิกาสนเพราะเรื่องนี้ต้องเกอ้อเขินไม่อาจขอขมาจิตตะคหาบดีได้ภิกษุทั้งหลาย